อลูกหลานทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาพบบรณฑาท่านทั้งหลายกว่าละหนึ่งเพราะคุมมาในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตเป็นอนุวาดนะวันก่อนมาจบลงในฐานะที่มโหสถบัณฑิต วางแผนซ้อยกนท่านเกวัดในเรื่องของธรรมยุทธ์สำหรับวันนี้ก็จะขอต่อไปเลยหวังว่าท่านหลายยังคงจำเรื่องได้เป็นอันว่าพระเจ้าจนานณีพมทัะและพระราชาทั้งร้อยเอ็นครร้อยเอ็องนะได้ทอดวันนี้ิงเกวัดน้อมกายลงกราบแทบเท้ามโหสถ ก็ทรงแนบพระทัยว่าเกวัดใบโมโหสถจริงเป็นการแพ้ทรงกลัวว่าโมโหสถจะไม่ไว้ชีวิตหมายความหมายความว่าเมื่อแพ้แล้วนี่โมโหสถอาจจะฆ่าพระองค์เสียคนใดต่างองค์ต่างก็ขึ้นมาเทียมหนีไปเมืองปัญจารนครเปิดเลยเห็นไหมเอาแค่นั้นใ น, นท่าสู้กันไม่ได้คนหนี สำนักกองทัพที่มาด้วยเห็นพระราชาหนีก็วิ่งกระจายกระจายกันไปสมัยก่อนในกำลังใจมันอยู่ที่พลนำถึงแม้ว่าเวลานี้ก็ไม่กันประเทศไทยเราเจนว่าในสมัยที่พระนรศศรมหาราชทรงกู้ชาติก็ใช้กำลังเข้านายทัพใหญ่คือพระนรศศรมหาราชกับท่านเอกาทศสรถสององค์ในกัน เป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็งนำกองทัพก็ตีด้วยตัวเองคนไทยทุกคนจึงไม่กลัวตายและก็มาสมัยที่พระเจ้าตักสินมหาราชทรงโคชายก็เช่นเดียวกันก็มีพระเจ้าตักสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสมเด็จกรมพระจวงบวร ทั้งสามพระองค์นี้เป็นผู้นําไทยคนไทยแล้วนี้รู่หลานที่รักถ้าหัวนหน้าไม่ขี้ขลาดแสดงความเก่งกล้าแสดงความสามารถให้ปรากฏเป็นว่าหัวนหน้าบอกเอ้าเป็นไงก็เป็นกันมาไปกันตายเป็นตายคําว่าตายเป็นเรื่องเล็กมันมีความสําคัญว่าเราเกิดมาเราก็ต้องตาย ถ้าเราจะตายก็ต้องตายแบบนักสู้ไม่ใช่เป็นยอมงอกับเขาเพียงเท่านี้และโลกหลานที่รักคนไทยทั้งชาติที่มีความหวังดีต่อชาติคือคนที่ไม่ได้ขายชาติและไม่มุ่งทำลายชาติเขาจะพร้อมเพรียงกันทันทีตัวอย่างสมัยที่เรารบอินโดจีนสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง นั่นกำลังอาวุธของเราก็สู้เขาไม่ได้เป็นอนาอาวุธทุกอย่างเราสู้เขาไม่ได้หมดและแม้แต่แผนที่การเดินทัพของเราก็ไม่พร้อมแต่ถ้าว่าสมัยนั้นคนดีของเรามีอยู่คือท่านจอมพลแปลกและจอมพลหลวงพิบูลสงครามแล้วก็มีพันเอก พิเศษก็หมายความตั้งมันไม่เอะเฉยๆหลวงวิจิตวาทการแล้วก็มีหลายท่านช่วยกันให้กําลังใจกับประชาชนคนไทยทั้งชาติตอนนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทัานคนแก่พร้อมรบดีกันหมดทั้งแนวหน้าและแนวหลังพร้อมกันที่จะพึงทำฉะนั้นกําลังข้าศึกที่เยาวุธดีกว่าแล้วก็มีแผนที่การเดินทัพดีกว่า เขาเป็นเมืองม้าในการรบเราจึงได้รบชนะเรามีได้รบไม่มีไม่มีถอยมีกําลังใจมันอยู่ที่หัวหน้าแต่ว่าการที่กองทัพประเทศไทยเราต้องเสียแก่ข้าสิทธิ์ั้งสองสองครั้งคือสมัยโคศิตรยานนท์ก็เป็นเพราะคนไทยขายชาติให้คนภายในที่ถือว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนดี เอาอย่างนั่นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างโน้นเขาทำมาอย่างนี้ก็ไม่ดีต้กเป็นอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นก็ไม่ดีต้องเป็นอย่างโน้นแต่ว่าไอ้ถึงเวลาตัวเองทำรสชาติบ้านเมืองคิดขายหมดไอ้คนคิดคดตรยศแบบนี้ที่มันยังอยู่ในประเทศเมรัยคงประเทศไทยประเทศไทยจะหาความสุขไม่ได้ เฉะนั้นมาสมัยหนึ่งเขาจึงจัดการประหารกันวิธีประหารเนี่ยเขาไม่ได้ประหารในที่ลับๆอย่างไปยิงกันในบางขวางในหรวงพ่อหลวงปู่ให้ยิงสักสิบล้านคนไม่มีใครเข็ดหรอกสมัยก่อ น, ก, อนก่อนนี้เขาจะยิงเขาตะเวนบกเจ็ดวันตเวนน้ำเจ็ดวันเปิดกาศความกิดกล้องให้ประชาชนทราบแล้วคนไปดูกัน ในการตัดคอตัดกลางตัวชนชนให้คนเห็นเมื่อเกิดความบาดเสียลอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์ท่านก็ยิงคนไม่กี่คนแต่ใครทําความผิดที่ไหนยิงที่นั่นความบาดเสียไม่เกิดขึ้นเขาก็เข็ด ข, ข, ขยะแต่มารุ่นหลังนี่ไปฆ่ากันในบางขวางนี่หลวงปู่บอกให้ฆ่าสิข้าศิลป์ล้านคนไอ้เรื่องร้ายต่างๆมันไม่ลดตัว ถ้าหาว่าจะยิงกันจริงๆแล้วก็ทําผิดที่ไหนยิงที่นั่นนั่นแหละมันถึงจะเหมาะนี่การเป็นพระมายุให้เขาจริงนี่หมายความว่าถ้าเขาจะยิงกันนะที่หาว่าเป็นพระยุให้ยิงนั้นไม่ใช่เรื่องเขาจะต้องฆ่ากันจริงๆแล้วเราจะได้ฆ่าคนไทยน้อยไม่งห้คนไทยแของเราจะตายไปมากแล้วลูกหลานก็ยังดูเวลานี้มีใครบ้าง ที่ทัศนการปกครองไอเ้เรื่องวิธีการปกครองหนังสือที่เขียนนั้นไม่สําคัญแลแ้รัฐธรรมนูนจะเขียนยังไงนโยบายรัฐบาลจะเขียนอย่างไาาาางไกฎหมายจะเขียนอย่างไงไม่สําคัญมันสําคัญที่คนถ้าคนดีเสอย่างเดียวทุกอย่างมันก็ดีหมด แ, แัฐธรรมนูนเขียนดีกฎหมายเขียนดี นโยบายรัฐ บ, บาลเขียนดีแต่ว่าคนประพฤติปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามนโยบายไป่ไดปฏิบัติตามกฎหมายบางคนอื่นจงยาโกงนะฉันโกงในแต่พวกเดียวนี่ที่อย่างนี้ที่จะไปะให้เขียนยังไงมก็ดีไม่ได้มันอยู่ที่มีความสําคัญมา่าผู้บริหารประเทศหรือผู้รับราชการเป็นคนเสียสละหรือว่าเป็นคนมักได้ เราก็มาคุยกันต่อไปว่าทหารของโมโหสดต่างก็ส่งเสียงโหร้องว่าชาวบรรจาระนครห น, นีไปแล้วดีใจชายโยกใหญ่โมโหสดเห็นนั้นก็สั่งให้กลับเข้าสู่พระนครโดยไม่ได้ให้ทหารติดตามกองทัพข้นาวเจ้าจุนนีไปอันนี้เป็นอุบายซ้อนคนของมโมโหสด ฟังให้ดีนะลูกหลานนะฟังเรื่องของมโมโหสถแล้วนะก็จําจำเอาไปคิดจะได้มีปัญญาอย่างมโหสดจะบอกว่าไอ้นั่นมันเรื่องล้าสมัยนานมาแล้วเราก็มาดัดแปลงแก้ไขได้สมัยก่อนเราใช่ล้อเราใช่เลือ่อนเราใช้เชกวนเวลานี้เขาใช่รถเราก็มาใช้รถได้ ไอ้ความคิดความอ่านมันไม่ต่างกันมันอยู่ที่ปัญญาสมัยหนึ่งใช่รถมาสมัยนี้ใช่ลอ้อถ้าเราเรียนอภิโทษมาสมัยก่อนใช้เกวียนเวลานี้ใช่รถเมื่อมันถึงเวลาสมัยใช่รถเราก็ใช้รถเอาปัญญาในการใช้เกวียนมาใช้ได้แล้วก็เรียนอธิบายจะยุ่ง เป็นนั้นว่ากองทัพพระเจ้าเจรลนีหนีไปได้ประมาณสามโยตโยต์น่ะสี่ร้อยเซนทันเกวตควบม้าไปทันกองทัพเช็ดเลือดที่หน้าผากที่มอสโฮสดจับกระแทะลงพื้นจนหมดแล้วที่นี่กลาทุนว่าท่านทั้งหลายเราไมา่ได้ไหวมอสสดเราถูกมหสถเอาแก้วมันมีลงเรา ทำทีว่าเหมือนจะให้เราแต่ก็ทําให้เจ้ามณีตกลงฉะนั้นเราจะได้ก้มหนุนไปเก็บ้ามณีแต่เจ้ามณีก็ได้หายไปเสียแล้วเราจึงค้มหานเฉยๆอยู่เราไม่ได้ไหวมหัอสดท่านหลายอย่าเชื่อคนอื่นจงเชื่อข้าพเจ้าขอให้พวกเรารวมตัวกลับไปที่ ที่คราวนี้ไปมันให้พังไปเลยข้าไม่ให้หมดแม้แต่มโมโหสดก็จะมาไว้นี่เช่าโมโหแล้วมันดาทหารข้าพเจ้า จ, าจุ น, นันทีเชื่อถ้อยคําของท่านเกวัตจึงได้เปรี่ยนเสียงเปรียยงใส่เสีย ง, ยงชยโยโหรวรวมกันเพื่อจะกลับเข้าที่ตั้งค่ายตามเดิมแต่เมื่อได้รับสั่งจากพระเจ้า จ, าจุนนทีให้กลับที่ไปที่ตั้งค่าย อองทัพก็เคลื่อนกระบวนกลับไปไม้จะชิงเนือมิธิรามหานครในได้จะตีให้แตกในได้เมื่อถึงที่ตั้งค่ายทหารเรีงรยงรายรอบเมืองมิธิรามหานครแล้วตามแบบเดิมพระเจ้าจรลนีได้สั่งทัต ถ, ถ, ถามเกวัตมาอาจารย์เราจะทำยังไงต่อไปจึงจะเข้าไปในเมืองได้ ไอ้เมืองเรานี่มันมีอาจารย์หอยค่วยแบบนี้มาแล้วเปล่าเลยเวลาคนอื่นเขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็ติโน่นตินี่ตินี่ตินั่นโอโตโอวิเศษแต่ว่าเวลาที่ตัวทําเองมั่นเมืองย่อยับไอ้คนประเภทนี้มันมีในเมืองไทยมาแล้วเปล่าโลหลานที่รักถ้ามีแล้วก็จําไม้นะถ้าคนที่มีเลลาอย่างนั้นเกิดขึ้นจงหยาคบ ลูกหลานที่รักจงอยา่าทำตนเช่นนั้นต่อไปลูกหลานทุกคนที่ฟังอยู่เวลา น, นี้จะเป็นผู้บริหารประเทศแล้วก็ข้าราชการเร็เวๆที่โกงที่กินของเหงื่ชาวบ้านลูกหลานเห็นว่าเขาเร็วจงอย่าเอาความเร็วมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามเขาไม่เช่นนั้นลูกหลานทุกคนจะกลายเป็นคนเรวไปด้วยเป็นมาเล่าเรื่องต่อไปท่าเกวัดบริกราพุณว่าขอเดชะ มีวิธีหนึ่งคือให้ทหารยึดประตูไว้ทุกดัานไม่คนในเมืองออกกระหนกนี่ถ้าทำอย่างนี้ในหลายวันเข้าคนข้านอกเขาจะลำบากหมดแล้วก็คนข้างนอกก็หมดกำลังใจเ็าข้าวมัได้เอาไปได้ช่วยไว้ได้คราวนี้เราจะเข้าโจมตีได้เดือง่ายห้าววิธีใหม่ ราชาทรงเห็นชอบในความคิดเกวัตบริสิทิ์เตอความจริงเขาก็คิดเก่งแต่ว่ามันเก่งเท่าไม่ไม่เท่าโหสถจึงสั่งให้ราวหันเข้าคุมประตูทุกด้านห้ามคนในออกห้ามคนนอกเขา้าให็นไหมโหมสถทราบความคิดนั้นจากราชบริจาราบรุเป็นแนวที่ห้า ที่เขาเป็นเป็นมหัสเล็กใกล้ๆพระองค์เขาทำดีนะไอคนเลวนี่เขาทำดีจะไปอยู่ที่ไหนดูันว่าเขาจะทำเป็นคนของบุคคลนั้นทำเพื่อชาติศา ส, สนามหาษักริ์แม้แต่ในวัดในวาเวลานี้ก็มีในวัดหลงปู่เองยังมีเลยเขามาอยู่กันบ่อยๆทำท่าทางดี บางทีก็มีความเคารพนอบน้อมแต่เผลอไม่ได้พระเจ้ า, าหายหมดฉะนั้นที่มาต้องปลูยังไม่ยอมเผลอแต่ก็สะกวันหนึ่งแล้วอาจจะพลาดท่าเขาก็ได้แต่ก็คิดว่าถ้าสมบัติส่วนกลางคนทุกคนจะรักษาโดยชีวิตเหมือนกับรักษาประเทศถ้าสมบัติส่วนกลางต่างคนต่างถือว่าไม่ใช่ของเราเมินเฉยไม่ชาหรอกใจมันก็จะยาวไปถึงว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเราเนี่ย ในที่สุดเราก็จะเป็นค่าเขงหมดฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานทุกคนจงคิดว่าสมบัติส่วนกลางนั้นเป็นสมบัติของเราของที่ว่าเป็นของทาราชการก็คือเป็นของภาษีก่อนที่เงินที่เราเสียไปเป็นของพ่อของแม่ของเราเป็นของที่พวกเราทําขึ้นเทั้นทุกสิ่งจะเป็นวัตถุกรณีแม้จะเป็นบันดิ้กรณีพวกตาต่างนิ้วที่เรานั่งนอนยืนเดินกันอยู่นี่ อย่าลืมว่าเราเดินอยู่บนร่างกายในชีวิตในเลือดเนเครื่องปูย่าตายหญ่ของเราต้นแบบคนที่ตัหามันได้ด้วยชีวิตร่างกายเราต้อ ง, ต, องต้องทอถมพื้นแผ่นดินที่เราเราเราเดินอยน่นี่มันสูงขึ้นมาเท่าไหร่เพราะว่าท่านอาชีวิตร่างกายท่านแรกสมบัติให้เราไว้นั้น ฉะนั้นผืนแผ่นดินของไทยทุกเขตทุกตาตรางนี้จึนถือว่าเป็นร่างกายของปู่ย่าตายายของเราเราจงอย่ายอมให้ข้าวสิคล่วงล้ำเขา้ามาแม้แม้แต่หนึ่งตาตระหนิสิถ้าล่วงล้ำเข้ามาอะไรนั่นเราจะต้องยอมตายกันทั้งชาติที่ว่าตามแบบฉบับที่เขาว่ากันมานะแต่หลวงปู่เป็นพระไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นขอให้เราสามมาขีดไว้ ถ้าเราสามเมื่อคีกลมเกลียวกันไว้ถ้าสิทำอันตรายไม่ได้ต้องคุยกันต่อไปพระจารย์ัณจารับุรุษของนบมาบอ้ของโหสดที่มีไว้กับพระเจ้าอุจุนนีสมุรมทัตจึงได้คิดอุบายที่จะขับไล่ก่อนท้าพัญจารลนครให้แตกไปโดยไว้ใช่ไหมนี่เขาไม่รอแต่คำรับสั่งเฉยเขามีปัญญาย แด่เขื่อนปล่อยให้ล้อมอยู่ทุกดันนายนเข้าก็จะเดือดร้อนโอ้โหสดจริงแจ้วใบเจ็บรามคนหนึ่งซึ่งพอยาเชื่อเฉีวยวใจได้ทั้งที่เป็นคนฉลาดชื่อว่าอนุกเกวัฏเกวัฏเหมือนกันนะแต่อนุนี่ประวันน้อยเกวัฏเล็กเมื่ออยู่สองต่อสองก็อนุกเกวัฏ ท่านโมโหสถที่นิพพุทว่าท่านอาจารย์เพื่อเห็นแก่ น, นักละครของฉันแล้วก็ประชากรของประเทศซึ่งกําลังจะถูกกองทัพปัญจานนละนครล้อมประตูไว้ทุกแดนทําให้เวที่เลียวร้อนกระฉามเมืองเพื่อลดเรื่องความเดือดร้อนนี้ข้าพเจ้าใข้าจะขอร้องท่านอาจารย์ช่วยทําการสักอย่างหนึ่งหวังว่าท่านอาจารย์คงไม่ขัดข้อง ท่านลูกแกวจินเนถามว่าท่านมดิบท่านจะให้ข้าวเจ้าทําอะไรจะทําอะไรโปรดบอกจะทําทุกอย่างถ้าเพื่อชาติศาสนาและมหากษัตริย์และปวงชนชาวประเทศของเราข้าวเจ้าพร้อมที่จะทําตามด้วยความยินดีมันน่าชื่นใจธรรมโสดจึงกล่าวว่าขอบคุณให้อาจารย์มากและก็มบริมายที่จะดําเนินการในขั้น เป็นขัข้นๆไปแกรู้แกวัด ต, อตลอด <c oughs> นี่เป็ความเป็นความลับถ้านนเรารูกวัดรับธรรมบายของโมโหสถแลงโมโหสถอย่างพูดว่าท่านอาจารย์ท่านจะทนเจ็บเอาหน่อยได้ไหมถ้าจะมีการรุนแรงอะไรกันไปบ้างแล้วก็ขออภัยนะท่านนี้เราทํากันเพื่อชาติเปนน้ำว่าท่านเกวัดบอกตกลก มันจะเจ็บแล้วก็ขั้นตายยังทําได้ถ้าตายเพื่อชาติทําได้ตายเพื่อคนสี่สิบสี่ล้านคนตายเพื่อชาติตายเพื่อกษัตริย์ตายเพื่อศาสนาถ้าจะตายเปียเพียงคนเดียวเที่องคอยคนสี่ิบสี่ล้านคนมีความสุขพร้อมจะตา ย, น, น, ตออยา น, น, นี่มันต้องอย่างนี้เป็นอนุญาตมันต้องอย่างนี้ ถ้านท่านยังตอว่าท่านมนุษย์ชีวิตข้าวเจ้าก็ยินดีจะสละได้ไหมจะว่าจะเจ็บนิดเดียวแม้จะตายยังสละแต่ขอปากคนในครอบครัวข้าวเจ้าอย่าให้ลําบากเจร้อนก็แล้วกันท่โมโหสุดกระลับอุปการะครอบครัวของท่านโอเควัดทุกอย่างก็ไม่เป็นลายจารย์ถ้าท่านอาจารย์จะต้องเป็นอะไรไปกัคนในครอบครัวของท่าน เระผมรับจะอุปการะทุกอย่างจะให้มีความสุขเรื่องกินเรื่องนอนไม่ได้ดร้อนแต่้าตังที่จะใช้ให้เปล่าก็ไม่รู้ไม่ว่ารับกันแน่นหนาคุณยะมโะหสถพูดอะไรใครเขาก็เชื่อเขาทรย์ ส, สินนี้มากเนือไปนั้นว่ายมโหสถรับอุปการะขรอบครัวอนุกเกวัฏเยี่ยงอนุกเกวัที่เริ่ม ลทัานอย่างที่ทานโนเกวะขอแล้วก็เริ่มบำบัตามแผนวันหนึ่งขณะที่กอดหารรักษากายของกุงมิเทลาฟเฟล์อนธะานโนเกวะก็ปีนข้ไปบนกับแผงเมืองและก็หันหน้าไปทางกองทัพของบัญจาล้านนครตะโกเวืา่าท่านลางไหลจงมารับของกิน มีขนมปลาเนื้อโอ้เยะแยะทานี้มีเยอะจงกินให้อิ่มหํำสมรานถิดไม่ชาก็อย่าตีนิสิรานครได้แล้วเมื่อตีได้แล้วจงจับวิพัชวิเทียรราชและมโหสดมันในปรรจานครนี้จับแล้วจงปัดสับพันเป็นท่อนๆให้ตายแบบประมาณที่สุด พูดแล้วก็โยนขนมบ้างปลาบ้างเนื้อบ้างไปให้ทหารบัญจานานครโดยรอบทุกด้านทหารฝ่ายรัสซฝ่ายทหารรัสเซียการฝ่ายมิเกลานครที่ไม่รู้มายผู้มายนี้คือความลับพอได้ยินอนุเกวัตพูดอย่างนั้นต่างก็กรงขึ้นไปจับอนุเกวัตคนหนี หนีไปทางที่ทหารที่รู้มายเป็นสองสามคนรู้กันไม่อีกคนนะ่ะเป็นความลับจริงๆทหารยิงจับตัวนุกเกวัตทุบตีด้วยซี่ไม้ไผ่แทนที่จะคอนตีเอาไม้ไผ่ตีเพระรูปให้กองทัพพระเจ้าจนานันเห็นรอยที่ตีปรากฏหลังลนุกเกวัตเล็กน้อยตีเป็นมิถีแต่ว่าตีให้มันเป็นรอยแต่เล็ก แล้วก็ดึงเสื้อผ้ขาดเป็นรืบเป็นน่อยแล้วก็วจับอนุเกวัตใส่เชลลกเอาเชือกผูกโรย่อนลงไปข้างนอกไม่นี่ถ้าทำํำจริงมันต้อจับเวียงไปให้มันตายหงเลยแต่ว่านี่เป็นอุบายแต่ว่าจริงๆจะเป็นอุบายตื่นๆบางทีข้าศิษ็านุกย์ไปถึงไม่กันใช่ไหมให้เชือกผูกโรยย่อนลงไปข้างนอกกําแพงเมืองพร้อมกับคู่ขามว่า ไอ้คนทำลายชาติใช่ไหมเพราะว่าไอ้เท่าไอ้เท่าเจ้าเล่ยไอ้คนทำลายชาติทำลายประวัติษัตร์ผู้มีคนชุบเลี้ยงเมืองมาเไปพุทธมึงไปปล้นเปรอข้าศิษย์วายฆ่าศิษย์มาจมตีบ้านเกิดเมืองนอนของมึง มึงจงไปอยู่กับกองทัพของข้าสิพระเจ้าจุลนีธนทัตเนั่นมึงจะมาอยู่ที่นี่นี่ความจริงที่เรื่องจริงๆแล้วมันต้องตีทิ้งเลยแค่ใ น, นเรื่องมันไม่จริงรา็คาว่าไม่จริงหมายความมันเป็นเรื่องอุมายเมือ่อนุกเกวัตทูศายเส้นแหลกจะลงไปแล้วทหารของพระเจ้าจุลนีต่างก็พากันฟอ้อศาลเขาก็ใจว่าอนุกเกวัตทู ทหารตรมานจริงๆจึงช่วยกันนำเอาจารศ์เอาจากศ์เสแลกวนำไปถวายพระเจ้าจุลนีกราบทูลเรื่องราวให้สอนทราบพระเจ้าจุลนีจึงได้ตัดถามว่าท่านชื่อไรมีความผิดสถานใดจึงถูกยนมาว่างชี่นี่ ถ้านุเกวัตเขากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าชื่ออนุเกวัดแมม่นเกวเหมือนกันของเขาก็มีเกวัตอยู่แล้วข้าพระพุทธเจ้าเคยดํารงตําแหน่งเป็นมหาหมัดในราชสํานักพระเจ้าวิถีฮาราชตต่อมามาโหสถคิดกาเริบเสศสารหวังจะครองตําแหน่งของข้าพระพุทธเจ้า จึงได้ทูลยุยงหพระเจ้าอิทยาราชหาว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดทรยศต่อแผ่นดินในที่สุด ข, ข้าพระพุทธเจ้าก็ถูกถอดยศเป็นคนหาที่พึ่งไม่ได้ไม่เห็นมีโอกาสที่ดีที่กองทัพขององค์มาล้อมและคนมาชิ้นนี้ก็ดีใจจึงได้นำของมีของกินนะมีขนมนมเนยปลาเนื้อเป็นตน้นไ ว, วคค้แจ่ใจแกกองทัพของพร์ เพื่อจะได้มีกําลังเข้าโจมตีกรุงธิรามหานครจับมโหสดคนร้ายตัดที่ศแต่ข่าพระพุทธเจ้าก็ถูกทหารกรุงธิรานครจับได้เขาทรมานข้าพระพุทธเจ้าต่างๆนานาซึ่งทหารในกองทัพกพระองค์ก็ได้เห็นโดยตลอดข่าพระพุทธเจ้าหมดที่พึ่ง จี่จะมาขออาศัยบารมีของพระองค์ปกครองภุกระมม์เลี้ยงดูข้าพระพุทธเจ้าไว้สักคนเถิดองค์พุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะอาสาเป็นผู้นำทหารเข้าพระองค์เข้ายึดอว่านครนี้ให้ได้ในเวลาเพียงเล็กน้อยเนือข้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าข้าพวะอจค์รู้ทางออกทางเข้าดีพระเจ้าค่ะแม่ตัวนี้ เวลานีนในพระราชฐานพระมราชาก็ดีในสมัคนาญจุตันตรีก็ดีในเรืหน่วยราชการก็ดีมีคนฆ่าศิกยาโนเกวัตอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมีคนข้งฆ่าศิกอย่างคนละหมู่วัดที่อยู่กับพระเจ้าจุนันนีแลือไม่เราไม่ทราบรู้เป็หลานที่รับฟังแล้วก็จํานะว่าอุมายคองฆ่าศิกมันลึกลับซับซ้อนมาก อย่าเชื่อใครง่ายอาศัยเหตุผลเป็นสำคัญพระเจ้าเจริญนทรงเชื่อสนิทในคํากราบทูลของโนกีวัตที่ความจริงไหมก็ไม่น่าจะเชื่อง่ายนะแล้วประกอบกับคากราบทูลของทหารเขาก็องค์ที่ได้เห็นด้วยอ๋อว่าเขาเห็นมาเนี่ยมันยืนยันกันที่เห็นให้การมาตลอดจนกระทั่งในนาตัวโนกีวัตข่าวเฝ้าทหารยืนยันว่าจริงไม่เ้าค่ะ พระพระเจ้าจุลนีที่ได้ตั้งอนุเ ก, กวัฏเทศโคกุมกองทัพและพระอันะของพระองค์เนี่ยเ<ม>ข้ามาเหมาะแล้วอนุเ ก, กวัฏที่ได้เรียกประชุมกองทัพแล้วก็ยืนขึ้นพูดอย่างสง่าว่าท่านทหารทั้งหลายขอให้พวกท่านจงปฏิบัติ ต, ตามคําสั่งของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับพระบรมราช อ, องค์การ ให้นำทหารขุนบัญจารนครเข้าโจมตีกรุงมิถิลามหานครขอพวกท่านจงเตรียมพร้อมในบัดนี้โอ้โหว่าคนแน่ดีนะน่าก็จะพังใช่ไหมน้าลูกแก้วก็สอดใส่ทหารมิถิลามหานครดูพวกของตนเลมองไปมองมาว่าไอ้พวกเราที่มันอยู่ในหมู่นี้มันมีทรือเล่าเรียกขวาในซ้ายซ้ายในขวา ไม่กว่าท่าหายกรุงมินดิราณขคองทังที่ตั้งกอรักษาการอยู่บนหอรบอ๋อเขาโดูหาข้างบนี่ยไม่ได้ดูพกดีดูดูข้างบนเมื่อเห็นทุกคนเตรียมการดีแล้วจึงสั่งให้กองทัพ บ, บุกไปทางด้านที่มีคูน้ำใหญ่ให้หลงกลสิท่าหายกรนาน้าก็โจนลงไปในคูเสร็จถูกจระเข้ตัวใหญ่ที่เรียงไว้ ในครูจํานวนมากกัดกินบาดเจ็บล้มตายแตไม่น้อยอ้อละตีใครฆ่าใครน่ละนี่แค่คนาบายนิดเดียวแต่นี่นะเวลานี้เราก็โดนนุ่ปุยจะพูดไปกับรบากเองกองหน้าสาการในยุ่งเ่ยิงหัรบก็ระดมยิงด้วยธนูไม่ขาดสายกองหน้าล้มตายไปเกือบหมดส่วนกองหลังไม่กล้าลงไปต่างก็ทยอยกันถอยกลับเพราะกลัวจราเข โดยวิธีนี้เวกวะจะชนะได้แบบไหนบนรรดาลูกลับลูกหลานที่รักทั้งหลายในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาหมดแล้วก็ต้องของลากรอข อ, ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทโดยทุนน่าสวัสดี